จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจคุศลทุกๆทก่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่เจ็ดมีนาคมพุทธศักราชส5 5พเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญให้แก่จิตใจเพราะบุญนี้ เป็นเหมือนอาหารเป็นเหมือนเครื่องนุ่งหม่มเป็นเหมือนที่อยู่อาศัยเป็นเหมือนอยารักษาโรคของร่างกายร่างกายมีความจําเป็นที่ต้องมีปัจจัยสี่จิตใจก็มีความจําเป็นที่จะต้องมีบุญที่เป็นเหมือนปัจจัยสี่ ถ้าเราได้ทำบุญเราก็จะได้มีอาหารมีเครื่องนุ่งหง่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคให้แก่จิตใจถ้าเราไม่ทำบุญจิตใจของเราก็จะขาดที่อยู่อาศัยขาดยารักษาโรคขาดอาหารขาดเครื่องนุ่งหง่ม ก็จะอยู่แบบขอทานเวลาไปก็จะไปแบบขอทานเพราะใจของเรานี่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเรานี่ไม่มีวันตายแต่ยังต้องไปเกิดใหม่เพราะยังมีความอยากที่จะมีร่างกายอยากจะมีหูตาจมูก นินกายไว้สำหรับหาความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆดังนั้นถ้าเราอยากจะให้จิตใจของเราอยู่อย่างร่มเรียนเป็นสุขทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และในขณะที่ตายไปเราก็ต้องมาสร้างบุญกันมาหาปัจจัยสีให้กับจิตใจ เหมือนกับเราหาปัจจัยสี่ให้กับร่างกายเราทำงานทำการหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้มีเงินมาซื้ออาหารมาซื้อเครื่องนุ่งหม่มมาซื้อที่อยู่อาศัยและมาซื้ อ, อยารักษาโรคเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยใจของเราก็ต้อง มีบุญที่เป็นเหมือนปัจจัยสี่ของร่างกายบุญที่เราต้องทำกันก็คือทานแปลว่าให้ศีลแปลว่าไม่เบียดเบียนไม่สร้างบาปสร้างกรรมภาวนาแปลว่าการทำใจให้มีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรค สมถะภาวนาคือความสงบเป็นที่อยู่อาศัยของใจวิปัสนาภาวนาเป็นยารักษาโรคของใจนี่คือปัจจัยสี่ของใจที่เราควรจะหาให้มากและควรจะหาให้มากกว่าร่างกายของร่างกายเพราะของร่างกายนี้เรามีเหลือเฟือ หรือพอเพียงมีมากกว่าความต้องการของร่างกายก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรร่างกายเราก็ต้องการอาหารพอให้อยู่ได้ก็พอมีมากกว่านั้นก็ไม่เป็นประโยชน์กับอาจจะเป็นโทษก็ได้ถ้าเรารับประทานอาหารมากจนเกินไปก็จะทําให้ร่างกายเรามีน้ําหนักเกินทําให้ร่างกายเรา มีโรคต่ตางๆตามมาเช่นโรคความดันโรคเบาหวานโรคไขมันตันเป็นเพราะว่าเราให้อาหารกับร่างกายมากจนเกินไปความสุขที่จะได้รับจากการให้อาหารของร่างกายก็เลยกลายเป็นความทุกข์ไปการให้ปัจจัยสี่แก่ร่างกายนี้ต้องให้แบบพอประมาณ พอประมาณกับความต้องการของร่างกายให้มากไปกว่า น, นั้นก็ไม่ได้ทําให้มีความสุขมากกว่าเพราะขีดการรับความสุขของร่างกายนี้มันมีจํากัดเหมือนกับแก้วน้ําที่เราเทาน้ําเข้าไปแก้วน้ํามันจะรับน้ําได้เต็มที่ของมันถ้าเราเติมล้นแก้ว น้ำมันก็จะล้นออกมามันก็จะเก็บน้ำได้เพียงหนึ่งแก้วเท่านั้นร่างกายของเราที่เราจะให้ความสุขกับร่างกายด้วยปัจจัยสี่นี้ mm. ก็สามารถรับได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นถ้ามีมากไปกว่านั้นมันก็ไม่ได้ทำให้มีความสุขมากไปกว่านั้นร่างกายของเรามีความสุขกับอาหาร เวลามีความหิวแต่พอรับประทานอิ่มแล้วจะรับประทานเข้าไปอีกมันก็ไม่ได้ทําให้มีความอิ่มมากขึ้นหรือมีความสุขมากขึ้นแต่กลับจะเกิดเป็นโทษขึ้นมากับร่างกายรับประทานมากเกินไปก็ทําให้เกิดอาการแน่นท้องทําให้ทําอะไรลําบากมันทําให้ไม่อยากจะทําอะไรอยากจะหลับอยากจะนอน ดังนั้นเราต้องรู้จักประมาณในการให้ปัจจัยสี่กับร่างกายให้พอกับความต้องการของร่างกายก็พอมากไปกว่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากจะเสียเงินเสียทองไปเปล่าหรือให้ของที่มันไม่มีความจำเป็นจะต้องให้เช่นอาหารเรารับประทานอาหารแบบธรรมดา ก็ทำให้ร่างกายอิ่มเราไม่ต้องไปเื่ออาหารที่วิจิตรพิสดารราคาแพงๆมารับประทานเพราะรับประทานเข้าไปมันก็อิ่มเหมือนกันกินอาหารมือละห้าสิบบาทกับกินอาหารมือละห้าร้อยบาทผลมันก็ได้เท่ากันคือได้ความอิ่มเท่ากันแต่ต้องเสียเงินต่างกัน ถ้ากินอาหารแพงต้องเสียเงินมากแล้วก็ต้องไปหาเงินหาทองมาต้องมาลำบากกับการหาเงินหาทองแล้วถ้าหาไม่พอก็อาจจะต้องไปหาโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องเช่นไปทำผิดกฎหมายไปทำผิดศีลผิดธรรมก็จะทำให้เกิดมีโทษตามมาถ้าเราไม่รู้จักการ รับประทานอาหารหรือบริธโภคปัจจัยสี่ตามความเหมาะสมตามความพอดีของร่างกายและตามฐานะของเราเรามีฐานะกินอาหารได้มื้อละห้าสิบบาทเราก็ควรที่จะมีความยินดีพอใจกับอาหารมื้อละห้าสิบบาทอย่าไปอยากกินอาหารมื้อละห้าร้อยมือมื้อละห้าพัน ผล ม, มันก็ไม่ต่างกันกินแล้วร่างกายก็อิ่มเหมือนกันดับความหิวของร่างกายได้เหมือนกันแต่ถ้าเราหลงว่าคิดว่าถ้าเรากินอาหารราคาแพงๆแล้วเราจะมีความสุขมากแทนที่เราจะมีความสุขเรากลับจะต้องทุกข์กับการต้องไปหาเงินทองมามากๆเพื่อที่จะได้ซื้ออาหาร แพงแพงมารับประทานดังนั้นขอให้เรารู้จักประมาณอย่าไปเสียเวลากับการหาอาหารหาปัจจัยสี่ของร่างกายมากเกินความพอดีทั้งฐานะของเราและความต้องการของร่างกายเอาพออยู่ได้ก็พอมันไม่มีความสุขมากไปกว่านี้ เช่นเดียวกับเสื้อผ้าก็ไม่จาเป็นที่ต้องเสียเงินเสียทองซื้อเสื้อผ้าราคาแพงแพงมาสวมใส่เพราะหน้าที่ของเสื้อผ้าก็มีไว้สาหรับปกปิดร่างกายเท่านั้นเองไม่ให้ร่างกายต้องล่อนจอนไม่ให้ร่างกายถูกมแมลงสว์กัดต่อยไม่ให้อากาศหนาวเย็นมาทำให้ร่างกายไม่สบาย เสื้อผ้าผ่อนก็มีหน้าที่ปกป้องรักษาร่างกายไม่มีหน้าที่เสริมความงามของร่างกายเพราะร่างกายนี้ไม่มีความงามร่างกายนี้มันมีแต่จะแก่มีแต่จะเจ็บแล้วก็มีแต่จะตายไปในที่สุดดังนั้นเสื้อผ้าผ่อนก็ไม่ต้องมีมากไม่ต้องมีราคาแพงแพงมีตามความจำเป็นมี มีความจำเป็นจะต้องใส่เสื้อผ้าเพราะว่าเป็นข้าราชการเป็นครูต้องมีมีเครื่องแบบก็มีไปถ้าไม่มีความจำเป็นก็ไม่ต้องมีอย่างพระนี่พระพุทธเจ้าก็สอนให้ใช้ผ้าสามผืนก็พอผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าห่มหนึ่งผื น, หห น, ผนแล้วก็ผ้าห่มกันหนาวอีกหนึ่งผืน มีสามเผินนี้ก็พอเพียงกับการดูแลรักษาร่างกายแล้วเสื้อผ้าผ่อนนี้ไม่สามารถทำให้ร่างกายเราหรือตัวเราวิเศษขึ้นมาได้สิ่งที่จะทำให้เราวิเศษขึ้นมาก็คือคุณงามความดีเช่นการรักษาศีลถ้าคนมีศีลก็จะเป็นคนที่สวยงามมีคนชื่นชมยินดี ถ้าเป็นคนไม่มีศีลก็จะเป็นคนน่ารังเกียจไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยดังนั้นขอให้เราอย่าเสียเวลามากเกินไปกับการหาปัจจัยศีลมารียงดูร่างกายเพราะเรายังต้องมีจิตใจที่เราจะต้องเลี้ยงดูแลนะจิตใจของเรานี่มีความสำคัญมากกว่าร่างกาย หลายล้านเท่าด้วยกันเพราะหนึ่งจิตใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจของเราไม่มีวันตายถ้าเราดูแลจิตใจของเราให้ดีจิตใจของเราก็จะมีความสุขมากและความสุขของจิตใจก็ไม่มีจานวนจำกัดเหมือนกับความสุขของร่างกายถ้าเปรียบเทียบความสุขของ ร่างกายก็เป็นเหมือนแก้วน้ำได้ขนาดหนึ่งแก้วน้ำแต่ความสุขของจิตใจนี้ได้ขนาดมาหาสมุูรเลยดังนั้นแทนที่เราจะมาเสียเวลากับการหาความสุขทางร่างกายที่ไม่มีปริมาณมากเท่ากับความสุขทางใจเราควรจะเอาเวลา มาหาความสุขทางใจดีกว่าอย่างพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์ทรงสละราชสมบัติเพราะทรงเห็นว่าความสุขทางร่างกายนี้มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองแล้วก็มีความทุกข์ตามมาด้วยเพราะร่างกายจะต้องแก่จะต้องเจ็บน่าะจะต้องตายไปเวลาร่างกายแก่เจ็บตายนี้ความสุขที่เราหามา ด้วยอาหารด้วยเสื้อผ้าด้วยที่อยู่อาศัยด้วยยารักษาโรคนี้ไม่สามารถมาสู้กับความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายได้เลยแต่ถ้าเรามีความสุขทางใจนี้ความสุขทางใจของเรานี้จะสามารถสู้กับความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้ ใจของพระพุทธเจ้านี้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเลยเพราะใจของพระพุทธเจ้านี้มีความสุขระดับมหาสมุทนั่นเองเพราะพระพุทธเจ้าทรงสละราชสมบัติแล้วก็เอาเวลามาหาความสุขทางจิตใจนี่แหละคือ วิธีการหาความสุขของคนชลาดของนักปราชญ์คือต้องหาความสุขทางจิตใจไม่ไปหาความสุขทางร่างกายเพราะว่าร่างกายนี้มีขอบเขตมีความจํากัดอยู่ไปได้ไม่กี่ปีก็ต้องตายไปความสุขที่หามาให้กับร่างกายมากน้อยเพียงไรก็จะหมดความหมายไป มีเงินเสื้ออาหารมากมายขนาดไหนก็ไม่มีความหมายอะไรมีเสื้อผ้ากี่ร้อยกี่พันชุดก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเวลาร่างกายตายไปแล้วของเหล่านี้ก็หมดความหมายไปแต่ความสุขทางใจที่เกิดจากการสร้างบุญนี้มันไม่มีวันหมดมันจะอยู่ไปกับใจไปตลอด นี่แหะคือความแตกต่างระหว่างการหาความสุขทางร่างกายกับการหาความสุขทางจิตใจเราจึงควรมองการหาความสุขทางจิตใจนี้เป็นเป้าหมายสำคัญเพราะว่ามันเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่จะสามารถต่อต้านต่อสู้ กับความทุกข์ต่างๆของทางร่างกายได้เราจึงต้องมาสร้างบุญกันสร้างปัจจัยสี่ให้กับใจกันทานก็คืออาหารของใจเวลาเราทำทานอย่างญาติโยมอนนี้นํากับข้าวกับปลาอาหารของขา้าของหวานและเครื่องใช้ไม้สวยต่างๆมาถวายพระถวายแล้วใจก็จะมีความอิ่มเอิบใจ มีความอิ่มความอิ่มเอิบใจนี้ก็คืออาหารของใจทำแล้วก็จะมีความสุขนะแล้วก็มารักษาศีลการรักษาศีลนี่ก็เป็นเหมือนกับการมีเสื้อผ้าอภ า, ารที่สวยงามไว้สวมใส่คนเราสวยงามไม่ได้สวยที่เสื้อผ้าแต่สวยที่ศีลธรรมคนที่มีศีลธรรม จะเป็นคนที่มีคนชื่นชอบเคารพนับถืออย่างพระภิกษุที่มาบวชนี้รูปร่างหน้าตาก็ไม่สวยงามผมเเ่าก็ไม่มีโกนสีสันเครื่องนุ่งห่มก็ไม่มีสีสันอะไรเป็นสีเดียวกันหมดเป็นเหมือนกันหมดไม่ได้สวยงามทางเสื้อผ้าอภรรไม่ได้สวยงามทาง หน้าตาทางร่างกายแต่กลับมีคนเคารพนับถือมีคนชื่นชมยินดีอยากจะเข้าใกล้ยอยากจะคบค้าสมาคมด้วยก็เพราะว่าพระภิกษุท่านมีศีลนั่นเองท่านไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีท่านไม่พูดปดไม่เสกสุรายามา คนที่ไม่กระทำสิ่งเหล่านี้จะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้แต่คนที่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายามเมานี้มักจะไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยถ้าคุณต้องจ้างคนมาทำงานกับคุณ ถ้าคุณรู้ว่าเขาเป็นคนที่ฆ่ารักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดอเสพชูล า, ามาคุณอยาจจะจ้างเขามาทํางานกับคุณหรือไม่ถ้าคุณจะต้องเลือกระหว่างคนที่มีศีลกับคนที่ไม่มีศีลคุณจะเลือกเอาคนไหนถ้าเอาคนใช้มาทํางานในบ้านแต่คนใช้เป็นคนชอบขโมย กับคนใช้ที่ไม่ชอบขโมยนี้คุณจะเลือกเอาคนไหนนี่แหละความสวยงามความมีคุณค่าของคนอยู่ที่ศีลธรรมศีลธรรมนี่แหละเป็นตัววัดความเป็นมนุษย์ถ้ามนุษย์เราไม่มีศีลธรรมไม่มีศีลห้าก็ไม่ต่างจากเดรัจฉานเดรัจฉานเขาไม่มีศีลห้า เขาฆ่าเ ข, า, ขาลักทรัพย์เขาประพฤติผิดประเวณีเขาโกหกหลอกลวงแต่มนุษย์เหล่านี้มีจะเป็นมนุษย์ได้นี้ต้องมีศีลห้าถ้าเป็นมนุษย์แล้วไม่มีศีลห้าเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์ทางร่างกายแต่ใจเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกขึ้นอยู่กับบาปกรรมที่ทาว่า มีความหนักเบามากน้อยเพียงใดถ้าหนักไม่หนักมากก็เป็นเดรัจฉานเท่าหนักมากขึ้นมาก็เป็นเปรตเป็นผีเท่าหนักสุดๆก็เป็นนรกนี่คือสถานภาพของจิตใจของผู้ที่ไม่มีศีลจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้ามีศีลนักษาศีลห้าได้ก็เถอว่าเป็นมนุษย์เต็มตัว นี่คือเสื้อผ้าอภรรของของใจของเราควรจะให้ความสำคัญกับการรักษาศีลมากกว่าการไปเสริมความงามทางร่างกายเช่นไปแต่งหน้าทาปากทำเเผ า, าทำผมไปซื้อเสื้อผ้าราคาแพงๆมาสวมใส่แต่ใจไม่มีศีลนี้ไม่มีใครเขาจะชื่นชมยินดีด้วย แต่ถ้าเราไม่ได้เสริมความงามไม่มีเสื้อผ้าอภรร์วิจิตพิสดารไม่สวมใส่แต่เรามีศีลเราจะเป็นคนที่มีคนเขารักเขาชอบเขาเขารมนี่คือปัจจัยสข้อที่สองก็คือเครื่องนุ่งห่มของใจใจต้องมีศีลปัจจัยสี่ข้อที่สมของใจก็คือที่อยู่อาศัย ที่หลบภัยต่างๆเรามีบ้านไว้หลบภัยเวลาเราจะพักผ่อนหลับนอนเราต้องมั่นใจว่าบ้านของเรานี้ปลอดภัยไม่มีใครเข้ามาทำร้ายเราได้ฝนฟ้าอากาศจะตกลมจะพัดก็จะไม่มาทำร้ายเราได้เพราะเรามีบ้านอยู่อาศัยบ้านของใจก็คือความสงบนี้เวลาใจเราไม่สงบนี้ ใจแล้วมักจะวุ่นวายจะเดือดร้อนกับเรื่องคนนั้นเรื่องคนดีสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ถ้าเราเข้าไปในความสงบได้ทำใจให้สงบได้เรื่องวุ่นวายต่างๆก็จะหายไปเราจึงควรมาหัด ส, สร้างบ้านของใจกันที่อยู่อาศัยของใจก็คือสมาธิคืคอความสงบของใจ เราต้องมาหัดนั่งสมาธิกันทำใจให้สงบให้ได้เพราะถ้าเราทำใจให้สงบได้เวลาใจของเรามีความวุ่นวายมีความฟุ้งซ่านมีความเครียดเราสามารถที่จะหลบจากภัยเหล่านี้ได้ด้วยการเข้าไปในสมาธิวิธีทำสมาธิก็ต้องมีเครื่องควบคุมใจ เริ่มหยุดความคิดของใจเพราะถ้าใจยังคิดอยู่ใจก็จะไม่สงบถ้าใจไม่สงบใจก็ยังเครียดยังทุกยังวุ่นวายอยู่เราต้องมีเครื่องควบคุมความคิดเครื่องควบคุมความคิดนี้คือสติการจะสร้างให้มีสตินี้ก็มีวิธีหลายวิธีด้วยกันเช่นวิธีบริกรรมพุทโธพุทโธไป ถ้าเราบริการพุทโธไปเรื่อยๆใจของเราจะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้คนนั้นคนนี้ได้พอเราไม่คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ความวุ่นวายใจเกี่ยวกับคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะหายไปอย่างตอนนี้เรามาอยู่ที่นี่เราไม่คิดถึงงานคิดถึงการคิดถึงพระเรื่องราวต่างๆใจเราก็ไม่เดือดร้อน แต่ถ้าเราไปคิดแล้วหยุดไม่ได้ใจของเราก็จะวุ่นวายขึ้นมาได้ดังนั้นเราต้องมาหัดหยุดความคิดกันถ้าเราหยุดความคิดได้ใจของเราก็จะสงบใจของเราสงบใจของเราก็จะปลอดภัยจากความวุ่นวายต่างๆเราควรหัดบริกรรมพุทโธกันอยู่เรื่อยๆหัดทํากันทั้งวันเลย เวลาที่เราว่างจากความคิดต่างๆไม่ต้องคิดเรื่องการงานเรื่องอะไรก็อย่าปล่อยให้คิดไปกับสิ่งต่างๆเรื่องต่างๆที่จะทำให้เราเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาให้เราหัดชักคิดบริกรรมพุทโธพุทโธไปต่อไปเวลาเรามีความวุ่นวายใจเราจะได้มีที่หลบหลบความวุ่นวายใจได้ ด้วยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปนี่คือที่อยู่อาศัยของใจคือความสงบแล้วส่วนยารักษาโรคของใจรักษาความทุกข์ความวุ่นวายใจให้หายไปอย่างถาวรเราต้องใช้วิปัสสนาภาวนาหรือปัญญาถ้าเรามีวิปัสสนาภาวนามีปัญญา เวลาเราเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจนี้เราสามารถตัดมันให้หายไปได้เลยถ้าเรามีปัญญาปัญญาคืออะไรคือการเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราไปทุกข์ด้วยนี้มันไม่เทีย่ยมมันไม่ใช่ของเราเราไปสั่งมันไม่ได้เราไปอยากให้มันเที่ยงไม่ได้อยากจะให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้ เช่นลูกของเราเราทุกข์กับลูกของเราเราอยากจะให้เขาดีแต่เขาไม่ดีแต่เราไม่รู้ว่าเราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้เขาดีได้เพราะเขาไม่แน่นอนบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีเวลาไม่ดีเราอยากให้เขาดีเราก็จะเสียใจเราก็จะทุกข์ใจถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้เขาไม่มีความแน่นอน เขามีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆสามวันดีสี่วันไข้เวลาเขาไม่ดีเราก็อยากไปอยากให้เขาดีเพราะถ้าอยากให้เขาดีแล้วเขาไม่ดีเราก็จะทุกข์ใจแต่ถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้เขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้เราก็จะไม่ไปยุ่งกับเขาก็ปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขา เขาอยากจะดีก็ดีไปเขาไม่อยากจะดีก็ไม่ดีไปคนที่จะรับโทษรับคุณก็คือตัวเขาเองเราไม่ได้ไปรับคุญรับโทษจากความดีจากความไม่ดีของเขาแต่เรากลับไปทุกข์กับเขาเพราะเราไปหลงคิดว่าเขาเป็นลูกเราพอเราคิดว่าเขาเป็นลูกเราเราก็อยากจะให้เขาได้ดิบได้ดีมีแต่ความสุข แต่ความจริงเขาไม่ได้เป็นลูกเราเหรอกเขาเพียงแต่มาอาศัยร่างกายที่เราผลิตขึ้นมาในท้องนี้เท่านั้นเองเขามาอาศัยร่างกายที่เราสร้างขึ้นมาแล้วพอเขาโตขึ้นเขาก็ไปตามทางของเขาเขาไปหาลูกหาเมียไปมีชีวิตของเขาแต่เราก็ไปหลงรักเขาไปหลงคิดว่าเขาเป็นลูกเรา เราก็อดขววงอดยยเขาไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่เขาไม่ค่อยสนใจกับเรื่องของเราเลยนี่แหละคือความหลงเพราะเราไม่รู้ว่าความจริงแล้วเขาไม่ได้เป็นของเราเขาเป็นเพียงแต่ผู้มาอาศัยบ้านเราอยู่อาศัยท้องเราอยู่พอออกมาจากท้องก็อาศัยบ้านเราอยู่อาศัยเราเลี้ยงเขาความหลงทำให้เรา ต้องเลี้ยงเขาเลี้ยงดูเขาอย่างดีเลยถ้าเป็นคนอื่นนี่รับรองได้เราจะไม่เลี้ยงเขาถ้าคนอื่นมาขออาศัยอยู่บ้านเรานี้เราจะไม่รับเขาเข้ามาแต่ถ้าเขามาในท้องเรานี้เราเราหลงคิดว่าเขาเป็นลูกเราเราก็เลยเลี้ยงเขาอย่างเต็มที่แต่ความจริงก็เป็นเหมือนกับคนที่มาขออาศัยบ้านเราอยู่ดีๆนี่นี่ถ้าเราเห็นความจริงอย่างนี้ เราก็จะได้ไม่ต้องไปกังวลกับเขามากจนเกินไปก็เลี้ยงไปแบบเอาบุญเหมือนเราเลี้ยงสุนัขมีสุนัขมีแมวมาขอสายอยู่เราก็เลี้ยมันไปตามมีตามเกิดมีอาหารก็กินก็ให้มันกินไปมีอะไรพอให้มันได้ก็ให้มันไปแต่อย่าไปต้องไปทุกข์กับมันเวลาแมวกับหมามันทาตัวไม่ดีเราไปทุกข์กับมันหรือเปล่า เราก็ช่างหัวมันมันอยากจะกัดกันก็ปล่อยมันกัดกันมันจะไปขโมยข้าวของไปกินนู่นกินนี่ถ้าเราจับมันได้ตีมันได้มาตีมันแต่เราจะไม่มาทุกข์มากังวลกับมันเพราะเรารู้ว่ามันเป็นธรรมชาติของมันฉันใดลูกเรามันก็มีธรรมชาติของเขาเขามีศีลหรือไม่มีศีลก็เป็นธรรมชาติของเขาเพราะแต่ละคนมาเกิดนี่ มีศีลละธรรมไม่เท่ากันบางคนก็มีศีลมากบางคนก็มีศีลน้อยบางคนก็เป็นคนดีบางคนก็เป็นคนไม่ดีเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้นอกจากเพียงแต่สอนเขาได้เท่านั้นบอกเขาว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่ถ้าเขาไม่ฟังเราไม่เชื่อเราเราก็อยากไปทุกข์ให้เสียเวลาเปล่ า, าถ้าเรามีปัญญาเราก็จะปล่อยวางได้เราจะรู้ว่า เราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้อย่างมากก็บอกเขาได้เท่านั้นเองแต่เขาต้องเป็นคนเปลี่ยนตัวเขาเองถ้าเขาเห็นว่าการกระทำไม่ดีเป็นโทษกับเขาเขาก็จะเปลี่ยนเองถ้าเขารู้ว่าการกระทำดีเป็นคุณประโยชน์กับเขาเขาก็จะทำเองเหมือนกับเราเมื่อก่อนตอนเราเป็นเด็กเราก็ไม่รู้ดีรู้ชั่วว่าเป็นอย่างไร ก็อาศัยพ่ออาศัยแม่คอยสอนคอยบอกแต่บางทีก็เราก็ยังทำชั่วทำไม่ดีแต่พอเราไปรับผลของการทำไม่ดีเราเห็นโทษของมันต่อไปเราก็จะไม่กล้าทำทำความชั่วทำความไม่ดีไปเองนี่คือปัญญาเราต้องเห็นว่าสิ่งต่างๆนี้มันไม่แน่นอนมีมันมีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับมีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เราห้ามมันไม่ได้มันจะเป็นยังไงมันก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของมันเราไปอยากให้มันไม่เป็นเราก็จะทุกข์ขึ้นมาปล่าๆวุ่นวายใจปบบเปล่าๆแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะดูว่าเราทำได้หรือไม่ได้ทำได้เราก็ทำทำไม่ได้เราก็ต้องปล่อยแล้วเราก็จะได้ไม่ทุกข์กับมันนี่คื อ, อยารักษาโรคใจดับความทุกข์ได้ทุกชนิด ลองมีความทุกข์อะไรลองใช้ปัญญาอ น, นี้ดูรับรองได้ว่าเราจะดับความทุกข์ได้หมดเลยนี่แหละคือการมาสร้างปัจจัยศีด้วยการสร้างบุญให้กับจิตใจทำบุญให้มากๆทำทานให้มากๆรักษาศีลให้ได้ตลอดเวลาจเจริญสมณะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาไปเรื่อยๆ แล้วต่อไปใจของเราจะเป็นเหมือนของพ่อพระพเจ้าจะไม่ทุกข์จะไม่เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆจะไม่ทุกข์กับร่างกายของใครไม่ว่าจะของเราหรือของไขรก็ตามมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายจะไม่เดือดร้อนเลยแล้วหลังจากที่ไม่มีร่างกายแล้วก็ไม่ต้องมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาทุกข์อีกต่อไปนี่แหละประโยชน์ที่เราจะได้รับหากเรา มันทำบุญอยู่เรื่อยๆจะได้ประโยชน์เท่ากับพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับกันเจียมขอให้พวกเราพยายามทำบุญกันให้มากๆอย่าเสียเวลากับการไปดูแลเลี้ยงดูร่างกายมากเกินความจำเป็นไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วจะทำให้เราไม่มีเวลามาสร้างบุญที่เป็นสิ่งที่สำคัญแก่จิตใจ